พระสุตันแตปิดกขุทกนิกายพุทธวงศทีปังกรพุทธวงศสูตรว่าด้วยพระประวัติของพระทีปังกรพุทธเจ้าครั้งนั้นชนเหล่านั้นทูนิมนพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรส่งเป็นผู้นําสัตว์โลกพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้เสเวยและฉันแล้วได้ถึงพระศาสดาพระนามว่า ที่ปังกรนพระองค์นั้นเป็นสารณะพระตถาคตให้คนบางคนตั้งอยู่ในสารณะคมให้คนบางคนตั้งอยู่ในศีลห้าให้คนบางคนตั้งอยู่ในศีลสิบส่งประธานสามั ญ, ญผลสีอันสูงสุดให้แก่คนบางคนส่งประธานธรรมที่ไม่มีธรรมอย่างอื่นเสมอเหมือนคือ ปฏิสัมพิธาให้แก่คนบางคนพระตถาคตผู้องค์อาจกว่านารชนส่งประธานสมาบัติที่ประเสริฐแปดประการให้แก่คนบางคนส่งประธานวิชาสามอภิน ญ, ญาหกให้แก่คนบางคนพระมหาโมนีย่อมตรัสสอนมูชนตามลำดับนั้นเพราะเหตุนั้น ศาสนาของพระโลกนาถจึงแผ่ไปอย่างกว้างขวางพระศาสดาพระนามว่าทีปังกรผู้ทรงมีพระอนุใหญ่และพระวรกายงดงามทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากทรงปลดเปลื้องจากทุกคติพระมหาโมนีทรงเห็นชนที่ควรแนะนำให้ตรัสรู้ได้ แม้ในที่ไกลถึงหนึ่ง0สนโยตก็เสด็จไปเพียงชั่วขณะเดียวส่งช่วยผู้นั้นให้ตรัสรู้ในการบรรลุธรรมการตรัสรู้ธรรมครั้งที่หนึ่งพระพุทธเจ้าส่งช่วยเทวดาและมนุษย์100โกรธให้บรรลุธรรมในการบรรลุธรรมครั้งที่สองพระผู้เป็นที่พึ่งส่งช่วยเทวดาและมนุษย์ ก้าสิบโกดให้บรรลุธรรมและในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในเทพพระพิภ พ, พได้มีเทวดา 90,000 โกธได้บรรลุธรรมครั้งที่สพระาศาสดาพระนามว่าทีปังกรได้มีการประชุมสาวกสามครั้งสาวกประมาณหนึ่งโกธมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่ง เมื่อพระจินเจ้าประทับอยู่ในสถานที่อันสงัดที่ยอดภูเขานาระทะพระขี่นาศพผู้ปราศจากมณฑินประมาณหนึ่งรโกดมาประชุมกันในการใดพระมหาวีรเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหามุนีทรงประวรณาออกพรรษาพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์เก้า0มืโกดที่ยอดภูเขา สุทัศนะสมัยนั้นเราเป็นชดินผู้มีตบะแก่ก้าสำเร็จอภิญญาห้าเหาะไปในอากาศได้เทวดาและมนุษย์ประมาณสองแสนได้บรรลุธรรมการบารรลุธรรมครั้งละองค์สององนับจำนวนไม่ท่วนครั้งนั้นพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่า ทีปังกรแพ่ภัยสารมีคนรู้มากเจริญแพร่หลายสะอาดบริสุทธิ์ภิกษุประมาณสี่แสนรูปล้วนได้อภิญยาหกมีฤทธิ์มากแวดล้อมพระผู้มีพระภาคพระนามว่าทีปังกรผู้ทรงรู้โลกในการทั้งปวง สมัยนั้นชนเราได้เ่าหนึ่งไม่ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระเสขะและมนุษภูมิไปชนเหล่านั้นย่อมถูกติเตียนาศาสนาแพร่หลายงดงามด้วยพระรหันตะขีนาศพผู้คงที่ปราศจากมนทินในการนั้งปวงเมืองชื่อว่ารามวดีกษัตริย์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 มีนางสนมกำนันสามแสนนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าปทุมาพระราชโอรสพระนามว่าอาสุภขันธกุมารพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงทรงราชพานะคือช้างออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนเต็ม จึงได้บรรลุพระโพธิญาณครั้นทรงบำเพ็ญความเพียรเสร็จแล้วก็ได้ตรัสรู้สัมโพธิญาณพระมหามุนีพระนามว่าทีปังกรผู้อันพลมทูลอาราธนาแล้วพระมหาวีระชินเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักแล้วประทับอยู่ในนันทาราม ประทับนั่งที่โคนต้นซึกทรงปราบรามเดียรถีพระสุมังคละเทระและพระติสะเทระเป็นพระอัครส า, าวกพระสาขตาเทระเป็นอุปถากของพระาศาสดาพระนามว่าทีปังกรพระนันทาเทรีและพระสุนันทาเทรีเป็นพระอัครส า, าวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นเลียบตบปุสสะอุบาสกและพาลิกะอุบาสกเป็นอักขระอุปถาศิริมาอุบาสิกาและโสนาอุบาสิกาเป็นอักขระอุปัถายิกาพระมหามมนีพระนามว่าทีปังกร ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอทรงงดงามดังต้นพฤกษาประทีปดังต้นพญาไม้สาละที่มีดอกบานสะพรั่งพระองค์ทรงมีพระรัศมีแผ่สั้นออกสิบโยตโดยรอบพระองค์ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระชนมายุประมาณหนึ่งแสนปี ทรงดำรงอยู่นานเพียงนั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นสังสารวัตได้เป็นจำนวนมากพระองค์พร้อมทั้งสาวกประกาศพระสัทธธรรมให้รุ่งเรืองช่วยมหาชนให้ข้ามพ้นได้แล้วเสด็จดับขันธปรินิ พ, พานเหมือนกองไฟที่ลุกโรลงแล้วดับไปพระองค์ทรงมีพระฤทธมีพระยศ พร้อมทั้งจักกะรัตนะที่พระยุคลบารทุกสิ่งล้วนอันตรหานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระชินศาสดาพระนามว่าทีปังกรเสด็จดับขันทปรินิพานแล้วณ น, นันทาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระชินเจ้าพระองค์นั้นสูงสามสิบหกโยชณะนันทารามนั้นพระสถูปบรรจุบาทจีวรบริขารและเครื่องบริโภคของพระองค์ผู้าศาสดาที่โคนต้นโพในการนั้นสูงสามโยต์ที่ปังกรพุทธวงศ์จบ โกนทัญยะพุทธวงศูตว่าด้วยพระประวัติของพระโกนทัญยะพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทันญะผู้ทรงเป็นผู้นำทรงมีพระเดชหาที่สุดมิได้มีพระยศประมาณมิได้มีพระคุณประมาณมิได้และยากที่จะกระทบกระทั่งได้ พระองค์ทรงเปรียบดังแผ่นดินโดยขันติธรรมเปรียบดังสาครโดยศีลเปรียบดังภูเขาสีเนรุโดยสมาธิเปรียบดังท้องฟ้าโดยปัญญาทรงประกาศธรรมที่ควรประกาศคืออินทรีย์ภะละโพชฌงมัคอริยสัจในการทุกเมื่อเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรพพสัต เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทันยะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงประกาศพระธรรมจักเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแสโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งจากนั้นเมื่อทรงแสดงพระธรรมในสมาคมของเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ประมาณเก้าหมนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สอง ในคราวที่พระองค์เมื่อทรงแสดงธรรมย่ำยีพวกเดียรถีเทวดาและมนุษย์ประมาณ80ดมื่นโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สามพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคนทัญญะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมพระสาวกผู้เป็นขีณาศพผู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบประงับผู้คงที่สามครั้ง พระขี่นาศบจํานวนหนึ่งแโกดมาประชุมกันครั้งที่หนึ่งพระขีณาศบจํานวนหนึ่งพโกดมาประชุมกันครั้งที่สองพระขี่นาศบจํานวน90โกดมาประชุมกันครั้งที่สครั้งนั้นเราเป็นพระมหากษัตริย์มีพระนามว่าวิชิตาวี แผ่ความเป็นใหญ่ไปโดยมีมหาสมุรสาครเป็นขอบเขตเราได้อังคาดภิกษุประมาณหนึ่งมื่นโกดผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ปราศจากมนทินพร้อมด้วยพระผู้ทรงเป็นที่พึ่องอันเลิศของสัตว์โลกให้อิ่มนำด้วยอาหารอันประนีตแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากนทัญญะพระองค์นั้น ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกก็ทรงพยากรณ์เราว่าในกับอันนับประมาณไม่ได้นับจากกับนี้ไปเขาจะเป็นพุทธเจ้าในโลกพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกรกิริยาจากประทับนั่งที่โคนต้น อชปาลนิโครธส่งรับเข้าปปายาติในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักสเสวยเข้าปปาญาติที่ริมฝั่งแม่น้ำเ น, ำเนรัญชรลาแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยดยิ่งใหญ่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 พระโกริตเถระและพระอุปติสะเถระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอนุนจักเป็นพระอุปถาบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบวรร น, นาเถรีผู้ไม่มีอาสวะ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 นันถามานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจาักเป็นอัคระอุปัฏถายิกาพระโคโดมผู้มีพระยศพระองค์นั้นจักมีพระชนมายุประมาณหนึ่งร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือน ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธทางกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปร่งเสียงหโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจากพราดศสาสนาของพระโลกกนาฏพระองค์นี้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 เราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสยอย่างยิ่งเราเมื่อจะทำประโยชน์นั้นให้สำเร็จจึงได้ถวายราชสมบัติอันใหญ่หลวงแก่พระชินเจ้าคันแล้วก็ออกบวชในสํานักของพระองค์เราได้เล่าเรียนพระสูตรและพระวินัยอันเป็นนวังคสัตตุศาสตร์ทั้งปวง แล้วช่วยประกาศาศาสนาของพระจินเจ้าให้รุ่งเรืองเราเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในคำสั่งสอนนั้นทั้งในเวลานั่งยืนและเดินถึงความสำเร็จอภิน ญ, ญาแล้วได้ไปเกิดอย่างพรลมโลกกรุงชื่อว่ารามวดีกษัตริย์พระนามวา่าสุนันทะเป็นพระชนกพระเทวี พระนามว่าสุชาดาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากนทัญญะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงคลองคารวาสอยู่หนึ่งหมื่นปีมีปร า, าสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสุจิปร า, าสาทสุรุจิปร า, าสาทและสุพระปร า, าสาท มีนางสนมกานันสามแสนนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่ารุจิเทวีพระราชโอรสพระนามว่าวิชิตเสนะพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงทรงราชพานะคือรถออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนเต็มจึงได้บรรลุ พระโพธิยานพระมหาวีระพระนามว่าโกนทัญญะผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายณนะป่ามหาวันพระพัฒทะเทระและพระสุพัฒทะเทระเป็นพระอัครสาวก พระเทระนามว่าอนุรุทธะเป็นพระอุปถาบของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทันยะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระติดสาเทรีและพระอุปติดสาเทรีเป็นพระอครสาวิกาต้นขานางเป็นต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทันยะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ โสนะอุบาสกและอุปโสนะอุบาสกเป็นอักขระอุปทานันทาอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกาเป็นอักขระอุปถายิกาพระมหามุนีพระองค์นั้นทรงมีพระวรากายสูง8 8สบศอกทรงงดงามดังดวงจันทร์ในวันเพ็ญและดังดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวัน ขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแสนปีพระองค์ก็ดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากเมธนีดนงามวิจิตด้วยพระขี่นาศขผู้ปราศจากมนทินเมธนีนั้นงามเหมือนท้องฟ้าที่วิจิตไปด้วยหมู่ดาว พระอรหันต์ผู้ประเสริฐแม้เหล่านั้นมีคุณหาประมาณไม่ได้ไม่กำเริบหาผู้กระทบ ก, กระทั่งได้ยากท่านผู้มีพระยศเหล่านั้นแสดงประดุดสายฟ้าฟาดปรินิพานแล้วฤทธิ์ของพระชินเจ้าไม่มีที่เปรียบสมาธิอันปัญญาอบรมดีแล้วทุกอย่างอันตรทานไปพร้อมกันแล้ว สังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทันยะผู้ทรงพระสิริสเสด็จดับขันทบริณิพาน น, นันทารามพระเจดีย์ของพระองค์สูงเจ็ดยอด น, นันทารามนั้นชนี้แลโกนทันยะพุทธวงศ์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 พระโพธิยานอันไม่มีที่เปรียบแล้วทรงแสดงธรรมครั้งแรกเหลา่าสัตว์ประมาณหนึ่งแสนโกธได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่พบของเทวดาผู้เป็นจอมเทพครั้งนั้นเทพประมาณหนึ่งแสนโกธได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในการเมื่อพระเจ้าจกรรักกะพัสพนามว่าสุนันทะ เสด็จเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงลั่นธรรมเพรีอันประเสริฐยอดเยี่ยมและครั้งนั้นบริวารของพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพระนามว่าสุนันทะมีประมาณ90โกดทั้งหมดนั้นไม่เหลือเลยได้บวชด้วยเอหิพิขุอุปสัมปทา พระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมสาวกสามครั้งสาวกประมาณหนึ่งแสโกรธมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งสาวกจํานวนหนึ่งแสโกรธมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองสาวกจํานวน90โกรธมาประชุมกันเป็นครั้งที่สาม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 ซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยของหอมและดอกไม้คลันแล้วได้อังคาดให้อิ่มหนำด้วยน้ำนมโคแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละพระองค์นั้นผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ก็ทรงพยากรเราว่าในกับอันประมาณไม่ได้นับจากกับนี้ไปพรามชื่อสุรุจินี้ จักเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกกรคิริยาจากประทรับนั่งที่ต้นอัชาปาลนิโครธทรงรับเข้าปายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรันชรา พระธินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปลายาติที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐ ท, ที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่จักทาประทักษิณโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอสัตถพลึก พระมารดาผู้ให้กำเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดาจะมีพระนามว่าสุทโธทนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระโกลิตะเทระและพระอุปติสะเทระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดี จักเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอนานนท์จักเป็นพระอุปถาบารุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเทรีและพระอุบลว น, นาเทรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวิกา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 สัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็ปริงเสียงโหร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมามัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจักพลาดศสาสนาของพระโลกกนาาพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จักพร้อมหน้าหน่ผู้ทางกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำ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 ให้รุ่งเดืองเราเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในคําสั่งสอนนั้นเจริญพรหมวิหารภาวนาถึงความสําเร็จอภิญญาแล้วได้ไปเกิดยังพรหมโลกกรุงชื่อว่าอุตตรกษัตริย์พระนามว่าอุตตระเป็นพระชนกพระเทวีนามว่าอุตราเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ ผู้สแสวงหาคุณยิ่งอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคารวาสอยู่9 0้าพันปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือยะสวาปราสาทสุจิมาปราสาทและสิริมาปราสาทมีนางสนมกำนันสาม0 0นางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่ายะสวดี พระราชโอรสพระนามว่าสีวละพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงทรงราชพานะคือมา้าออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่ามังคละทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ ผู้อันพผลมทูลอาราธนาแล้วส่งประกาศพระธรรมจักเสด็จจาริกไปพระสุทเทวะเทระและพระธรรมเสนเทระเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่าปาลิตะเป็นพระอุปทาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ พระศีรวาเทวีและพระโอส ก, กาเทวีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นกากะทิงนันทอุบาสกและบิสาขาอุบาสกเป็นอัครอุปถาอนุลาอุบาสิกาและสุมนณาอุบาสิกา เป็นอัคระอุปัฏฐายิกาพระมหามุนีทรงมีพระวรกายสูง88สศอกมีพระรศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระองค์นั้นไปไกลหลายแสนจักรวาลขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณ 90,000 ปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้น ทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากสาวกของพระองค์ใครๆก็ไม่สามารถจะนับได้เหมือนคลื่นในสมุทรสาครที่ใครๆไม่อาจนับได้ครั้งนั้นพระสัมมาสมุทธเจ้าพระนามว่ามังคละทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงดำรงพระชนมายุอยู่เพียงใดในาศาสนาของพระองค์ ไม่มีการตายอย่างคนมีกิเลสเพียงนั้นพระองค์เพื่อมีพระยศยิ่งใหญ่ส่งชูคบเพลิงคือพระธรรมส่งช่วยมหาชนให้ข้ามพ้นส่งรุ่งเรืองเหมือนเปลวไฟสเสด็จดับขันธะปรินิพานแล้วส่งแสดงอัถะแห่งสภาวะของสังขารในมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลก ทรงรุ่งเรืองดังกองเพลิงสเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วดังดวงอาทิตย์อสดงพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคล ะ, สะเสด็จดับขันธปรินิพานณพระราชาอุทยานชื่อเวสสระพระสถูปของพระชินเจ้านั้นสูงส0สโยชนพระราชอุทยานชื่อเวสะสร ะ, ะนั้น ฉนี้แลมังคละพุทธวงศ์จบสุมนณะพุทธวงศ์สูตรว่าด้วยพระประวัติของพระสุมนณะพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ ได้มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำพระนามว่าสุมณะไม่มีใครเสมอโดยธรรมทั้งปวงทรงสูงสุดแห่งสัตว์ทั้งปวงครั้งนั้นพระศาสดาทรงลั่นอมะตะเพรีในเมฆละบุรีคำสอนของพระชินเจ้ามีองค์เก้าประกอบด้วยธรรมฝ่ายขาว พระศาสดาองค์นั้นทรงชำนะกิเลสแล้วทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐสุดทรงสร้างพระนครคือพระสัตยธรรมซึ่งเป็นเมืองประเสริฐที่สุดพระองค์ทรงสร้างถนนใหญ่คือสติปฐานอันลำเลิศไม่มีอะไรขั้นไม่คดเป็นถนนตรงไพยบูรกว้างขวาง ทรงแพ่สามัญญผลสี่ปฏิสัมพิทาสี่อภินยาหและสมาบัตแ8ดไว้บนถนนนั้นชนเหล่าใดเป็นผู้ไม่ประมาทไม่มีกิเลสเพียงดังตะปูตึงใจประกอบด้วยฮิริและความเพียรชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถือเอาคุณอันประเสริฐนี้ได้อย่างสบาย พระาศาสดาทรงช่วยเหลือมหาชนด้วยความเพียร น, นั้นอย่างนี้ทรงช่วยเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่ง0นโกรให้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งพระมหาวีระตรัสสอนหมู่เดียรถีในการใดในการนั้นทรงช่วยเหล่าสัตว์ประมาณหนึ่ง0นโกรธให้บรรลุธรรมในการแสดงธรรมครั้งที่สอง ในการเมื่อเทวดาและมนุษย์ผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันมาทูลถามนิโรธาปัญหาและความสงสัยทางใจในการทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องแสดงนิโดดแม้ครั้งนั้นเหล่าสัตว์ประมาณ9 0้า0โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สามพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนณะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มีการประชุมแห่งพระขีณาสพผู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบระงับผู้คงที่สามครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาแล้วเมื่อทรงประกาศประวารณาพระตถาคตทรงประวารณาพร้อมด้วยภิกษุประมาณหนึ่งแสนโกรธจากนั้นในการประชุมกันที่สุวรรณบันพศ อันสุปลังพระขีนาสพประมาณเ0 0า0มื่นโกดมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองในการเมื่อเท้าส ก, กะเทวราชเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระขีนาสพจำนวนแปดหมื่นโกดมาประชุมกันเป็นครั้งที่สมสมัยนั้นเราเป็นพญานาคผู้มีฤทธิ์มากมีชื่อว่าอตุระ เป็นผู้สร้างกุศลให้เจริญขึ้นครั้งนั้นเราพร้อมด้วยหมู่ญาติออกจากนาคภ พ, พิภพบำรุงพระจินเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยดนตรีทิพย์ของพวกหน้าจัดอังคาศพระสงฆ์สาวกประมาณหนึ่งแสนโกรให้อิ่มนำด้วยข้าวและน้ำแล้วถวายผ้ารูปละหนึ่งคู่ ได้ถึงพระชินเจ้าพระองค์นั้นเป็นสารณะแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนณะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกก็ทรงพยากรณ์เราว่าในกับอันประมาณไม่ได้นับจากกับนี้ไปอตุระพญานาคนี้จักเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกลุงกบิลพัทที่น่ารื่นรม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 พระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระโกริตะเทระและพระอุปติสะเทระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่าอานน์จกเป็นพระอุปถากบำรงพระชินเจ้าพระองค์นี้ พระเคมาเทรีและพระอุบลวนาเทรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอครส า, าวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศจรรทพฤกจิตตะขาบดีอุบาสกและหัตถะขาบดีอุบาสก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 เราได้ฟังพระดารัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทาจิตให้เลื่อมใสยอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบาเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อว่าเมฆละกษัตริย์พระนามว่าสุทัตะเป็นพระชนก พ, พระนางสิริมาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมานณะ ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคารวาสอยู่ 9,000 ันปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือจันทประสาสุจันทประสาสและวะลังสะประสาทมีนางสนมกำนันหล้านสาแสนนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าดังสกี พระราชโอรสพระนามว่าอนุปมะพระจินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงทรงราชพานะคือช้างออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระเจ้าพระนามว่าสุมาณะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรมทุนอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักร ณเมฆละบุรีซึ่งเป็นเมืองประเสริฐที่สุดพระสรณาเถระและพระภาวิตตตะเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอุเทนเป็นพระอุปถากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมาณะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระโสนาเถรีและพระอุปโโสนาเทรี เป็นพระอัครสาวิกาแม้พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์นั้นได้ตรัสรู้ที่โคนต้นกากะทิงวรุณนะอุบาสกและสรณะอุบาสกเป็นอัครอุปถาจาราอุบาสิกาและอุปจาลาอุบาสิกาเป็นอัครอุปถายิกาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระวรากายสูง9กศอก ทรงงดงามดังทองคำที่ล้าค่ารุ่งเรืองไปทั่วมื่นจักรวาลขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณก้าหมื่นปีพระองค์ก็ทรงดํารงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้จำนวนมากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงช่วยคนที่ควรข้ามให้ข้ามทรงช่วยคนที่ควรตรัสรู้ให้ตรัสรู้ แล้วเสด็จดับขันธปรินิพานเหมือนรวงจันดับไปภิกษุผู้ขี่นาศบเหล่านั้นผู้มียศยิ่งใหญ่และพระพุทธเจา้าผู้ไม่มีใครเปรียบได้พระองค์นั้นแสดงพระราศมีที่ไม่มีอะไรเปรียบได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปพระสัพพัญยุตยานและพระรันตนใยที่ไม่มีอะไรเทียบเคียงเหล่านั้น ทุกยางล้วนอันตรทานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนณะผู้ทรงพระยศเสด็จดับขันทปรินิพานที่อังคารามพระสถูปของพระชินเจ้านั้นสูงถึงสี่โยชนิแลสุมนณะพุทธวงศจบ